ถ้า<อ> <Har> เมื่อเราพร่ำสอนอยู you. You oh. er ่แสดงทำอยู่เธอปฏิบัติอยู่อย่างที่เราสอนเธอจะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติได้ภายใน6ปีหปียกไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าเธอฟังเราอยู่นะทำอยู่อย่างที่เราสอนห้าปีห้าปียกไว้ก็ได้ถ้าเธอทำอย่างที่เราสอนนะสี่ปีสี่ปียกไว้ทำอย่างที่เราสอนนะทำอย่างที่เราสอนเลยนะไม่ทำอย่างอื่นสองปีนั่นเองสองปียกไว้ผรจารไล่ลงมาหนึ่งปี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 บอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีบอกว่าอย่ากโกรธนะครับบอกว่าอย่าโลภนะบอกว่าให้พูดสัมมาวาจานะอา้าวเราทำไหมละ่ะถ้าเราทำต้องได้โอ้ได้สร้างเหตุ น, น, นั้นใช่ผลก็จะได้ตามที่เพราะฉะนั้ น, นถ้าพุทธเจ้าแสดงทำอยูนะ่เราปฏิบัติอยู่อย่างที่พระองค์สอนเนี่ยยังไงก็ต้องได้แต่ประเด็นคือมันไม่ทำ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 ถ้าใค ร, ครต้องการแบบว่าฟังธรรมะที่แบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นเข้มข้นเขม น, น, น, นะให้มาที่เพียวธรรม a คอมออนไลน์ออนไลน์ก็ออนไลน์รับได้ก็ฟังรับไม่ได้ก็ก็ฟัง <c oughs> ด้วยก็แล้วกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยส่งคำถามมาได้เลยนะครับรายการเรายินดียินดีที่จะตอบในทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับใช่รับถ้าอามาตอบไม่ได้ก็ให้หมอทัศ์พงษ์แหละตอบ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 คนไม่ทาใช่ครับอาจรม า, า ร, รู้สึกรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอึดอัดขยักข ย, ง, ขยงต่อการที่เราบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วไม่ทำ<ม>คนที่บอกเฮ้ยคุณมีสีนเด็กคุณยาไปประพฤติผิดไปฆ่าคนยาดาเขาสิแล้วเดินไปทามันมันเห็นแล้วมันมันน่าขยักขยอือคืออาหารเก่านี่อยากจะออกมาคืออ้วกนะคือเราเห็นแล้วเราก็ไม่อยากยุ่ง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 ไม่ต ก, ตกใช่ไหมครับวิตกเนี่ยไม่ใช่สันไม่ใช่สังขารเนี่ยวิตกเป็นสัญญาเอ่วิตกใช่วิตกวิจารณเป็นสัญญาออ๋อ อ, อย่างนี้อย่างนี้มันต่างกันแล้วเราจะงงครับท่านก็คือเอาง่ายๆว่า <c oughs> เรื่องของประเด็นที่จะชี้ให้ดูก็คือว่าขันห้าเนี่ยแหละคือปฏิญาณสมุบาติโดยรายละเอียด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 ทำความเข้าใจให้นิดหนึ่งพระรูปเจาพูดถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะก็คือโกหกนะ่ะโกหกใช่ไหมใช้คําพิรีพิไรรัฟังให้ดีนะโกหกใช้คําพิรีพิไรการพูดล่อล่อลเลดต่างๆนะครั ค, รคือการพูดให้ <c oughs> การพูดให้เกิดมานะมุทลุในการให้และการใช้ของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากต่อลาบ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 เพราะนั้นคำถามของคุณที่มาจาก facebook ทักโกะเนี่ยถ้าตอบกันอย่างสุภาพชนตอบนะก็คือว่าก็อยู่ที่เจตนาแล้วเจตนาเนี่ยเป็นไปเพื่อการสร้างพบใหม่ไหมเป็นไปเพื่อความกําหนัดไหมเป็นไปเพื่อความเพลินไหมเป็นการเพื่อการเข้าสู่กาไหมถ้าเป็นก็แตดผิดอยาเกทำถ้าเราขายของนะขายได้ก็เอาะขายไม่ได้ก็ ก็ไม่เป็นไรใช่อืมครับเพราะฉะั้อาชีพนักขายเนี่ยจึงต้องระวังให้มากใช่ครับเพราะว่าเกี่ยวกับการพูดตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอบคำถามนี้แล้วนะล้วก็ประเด็นที่จะสรุปก็คือว่าเราต้องบางทีต้องเชื่อมโยงระสูุนะเนาะหมอรัตพง์เนาะใช่ครับในี้ต้องใช้ปัญญาเยอะทีเดียวนะครับในการที่จะเชื่อมหาเหตุผลว่า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 นะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนอดทนเป็นคนมีเมตตานะอย่าไหลาไปตามช่องอย่าไหลาไปตามอำนาจของตันหาอย่าไหลาไปตามมานครับอย่างนี้พูดถึงว่าขอเชื่อมโยงในเรื่องของการทําบุญด้วยเลยได้ไหมครับอย่างเงี้โหถ้าก็จะไม่ขึ้นกับตัวเงินใช่ไหมครับก็เข้าที่ฟังใช่ใชใ่เรื่องของทานเนี่ยโหมันมันพูดได้ยากวันนั้นาอาจารย์ได้ไปพูดเรื่องของทานนี่แหละ